บัดนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในส่วนของอายตนะปปะคือหมวดที่ว่าด้วยการสังเกตสภาพจิตเวลากระทบอารมณ์ทางประสาทสัมผัสหรือการเห็นรูปเป็นต้น ภาในาแต่ละขณะนั้นกิเลส ข, ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเพียรพยายามที่จะลดละบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นให้จางไปจากจิตในเวลารวดเร็วได้เท่าไหร่ก็ดีและถ้าหากว่ามีความสามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยก็จะเป็นการดี ตามนิบาตในลักษณะนี้สติสัมปชัญญะความเพียรเป็นอุปการะธรรมที่มีความสำคัญเพราะโดยพื้นฐานจิตใจของคนเราที่เป็นธรรมชาติธรรมดานั้นมันบอกว่าโทษของตนเห็นได้ยากโทษของบุคคลอื่นเห็นด ง, ง่ายตามปกติแล้วบุคคลจะกรุบเรื้อความผิดของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเผย ความผิดของบุคคลอื่นซึ่งลักษณะอาการเหล่านี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนไปในสังคมถึงข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับความเสื่อมเสียของบุคคลอื่นจะเป็นที่สนใจใส่ใจของคนทั้งหลายข่าวการสร้างสรรค์พัฒนาข่าวการกระทําความดีจะไม่ค่อยเป็นข่าวถึงจะเป็นก็ไม่เป็นที่สนใจของบุคคลทั้งหลาย ได้เราอาจจะมองเลยไปถึงยอดจำหน่ายหนังสือที่ปรากฏอยู่ในสังคมหนังสือแนวของธรรมะอย่างมากที่สุดจะสามารถเผยแพร่ชุดละฉบับละไม่เกินห้าหมื่นเล่มแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ระดับประมาณสองพ2นถึงแม้หนังสือธรรมะจักสุซึ่งเป็นหนังสือที่เผยแพร่ ก, กันอยู่ถึงเจ็กว่าปีแล้วยอดพิมพ์แต่ละเดือน แต่ละเล่มก็ตกประมาณ3า0พันเล่มตอนนั้นเด็กแต่ในขณะที่หนังสือซึ่งเกี่ยวข้องกับความรุนแรงความไร้กาดตอบสนองอารมณ์กิเลส ข, ของบุคคลยอดจำหน่ายเป็นแสนแสนหรือบางฉบับอาจจะถึงล้านนั่นคือลักษณะที่เราสามารถเห็นได้ในส่วนต่างๆของโลกแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรคือมีมาตั้งแต่ในแต่ไรมาแล้ว ท่านนี้คงจะสืบเนื่องกับภพบภูมิคือชั้นจิตคนในโลกเราเป็นชั้นของกาลมาวาจรภูคือจิตจะหมกปุ่นครุ่นคิดอยู่ในเรื่องของกาลเกี่ยวข้องกับความรักความชังอารมณ์ที่พระเจ้าทรงสอนเน้นมากเป็นพิเศษทรงใช้คําเพียงสองคําคืออารมณ์ที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาให้บุคคลพยายามระมัดระวังทั้งสองอารมณ์ พระลมที่น่าปรารถนาจะขอให้เกิดการควยคว้าปรารถนาเพื่อสนองตอบความต้องการของตนเองไม่มีที่สิ้นสุดพอถึงจุดหนึ่งก็จะมีความขัดแย้งในการสแสวงหาสิ่ง่นั้นเมื่อต่างความต่างไม่ยอมกันขาดการประบีประนอมขาดการผ่อนปรนกันก็จะมีการต่อสู้กันการทาลายล้างเพยื้อแย่งสิ่งทั้งหลายบางคราวบางคราวกลายเป็นหมายยุทธสงคราม เป็นการแย่งเกาะเล็กๆ เ, เป็นการแย่งคนบางคนอย่างเยี่เรื่องรามาเกียรติก็เริ่มต้นมาจากแย้งหนังสีดาเป็นคนเดียวสรุปกันมีคนล้มตายสูญเสียชีวิตเป็นนานมากต้องพลัดพรากน้องปิกลพิการเดี๋ยวเป็นจํานวนไม่น้อยตอนนี้รูแล้วแต่เป็นการที่ใจถูกผลักไสไปด้วยอํานาจของความใคร่ความปรารถนาความพอใจและไม่ต้องการให้คนอื่นมาขัดขวาง พอกระเนื่นงขัดขวางก็จะรู้สึกว่าคนนั้นเป็นศัตรูที่ตัวเองจะต้องทำลายล้างการเพิ่มบาปทั้งเพราะความโลภความกำหนัดเป็นเหตุก็จะเกิดขึ้นการเพิ่มบาปทั้งเพราะความโกรธความมาคาดปยาบาติความริษย า, า, ค, ว า, ยาความแข็งดีก็จะเกิดขึ้นซึ่งลักษณะเหล่านี้สืบเนื่องมาจากจิตที่ขาดความรู้เห็นตามความเป็นจริงถึงสภาวะของสิ่งเหล่านั้น ถึงลักษณะที่แท้จริงของสื่อดอนนั้นเพราะตาปกติแล้วกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจของคนบางครั้งคนก็ยอมรับไม่ได้หรือว่าจะปฏิเสธความรู้สึก่อนนั้นแต่บางครั้งเราอจจะมีความรู้สึกโกรธความรู้สึกริษยาความรู้สึกแข่งดีต่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เนื่องจากพื้นฐานที่เข้าข้างตัวเอง พยายามปกปิดกลบเกลื่อนโทษความผิดของตัวเองก็จะอ้างเล่ดไปด้วยวิธีการต่างๆเช่นบอกว่าด้วยความปรารถนาดีดีด้วยความหวังดีจึงมีการว่ากล่าวเป็นการตักเตือนในลักษณะนันเป็นต้นทอ น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัะจจิตใจของคนเรานั้น มันมีกิเลสเป็นนั้นมากซึ่งถ้ามองไม่ละเอียดพอมันก็คล้ายๆกับธรรมะยามที่ก็ปรากฏทางกายกับทางวาจาเช่นกิเลสประเภทมารยาคือการเสแสแซงจะมีการแสดงให้ปรากฏทางวาจาก็ดีทางการกระทําก็ดีเป็นอย่างหนึง่งในขณะที่จิตใจคิดอีกอย่างหนึง่ง หมายความใจคิดอย่างหนึ่งแต่การกระทานั้นจะออกมาอย่างหนึ่งเป็นภาพลากักษณ์ที่ให้ความสนิทสนมคุ้นเคยให้ความเคารพนับถือเกิดขึ้นภายในใจของคนผู้ประสบผู้เห็นแยที่ท่านเล่าถึงเรื่องของนกยางจำศีลเรื่องเสือจำศีลตลอดถึงเรื่องของฤาษีลวงเหียเป็นต้น ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพของผู้สงบส ง, งียมเป็นภาพของผู้ทรงศีลแต่เมื่อคนหลงเชื่อก็กลายเป็นอาหารเป็นเหลือเป็นเครื่องมือของคนดอกนั้นไปโลกมักจะตกอยู่ในสภาพเหล่านี้เพราะกิจกรรมในทางหลอกลวงจะเป็นกิจกรรมที่หวานอยู่ข้างนอกแต่ว่าขมนั้นจะอยู่ข้างในภัยอันตรายจะตามมาเพราะความสวยงามความหน้าเพลิดเพลินยินดีในเรื่องนั้น อิเลสประเภทแข็งดีประเภทโอ้วดแต่ละอย่างก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันจะปรากฏออกมาทางวาจาทางการกระทำเป็นอีกอย่างหนึ่งทางทางที่ใจของบุคคลนั้นคิดอีกอย่างหนึ่งข้อนี้พระผู้เจ้าพระเจ้าทรงสแสดงถึงสภาพจิตใจของคนในโลกตามคำกราบทูลของนายควานช้าง ในควกกันชาโกดึงเด็กดาบถูนว่าในฐานะที่ท่านควบครีกษัตริย์ทั้งหลายมามากเลยแบอกว่ากษัตริย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ซื่อตรงหมาความอาการที่ปรากฏข้างนอกเป็นยังไงก็ใจเธอเขาคิดอย่างนั้นสถานการณ์ข้างนอกเป็นความโกรธก็แสดงว่าใจมันโกรธอาการขานอกเป็นมิตรก็แสดงว่าใจเป็นมิตรจริงวางใจได้เชื่อใจได้แต่คนนั้นเป็นสัตว์คตยากที่จะเข้าใจ แต่คิดอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งแต่การ ก, กระทํากลับเป็นอย่างหนึ่งได้ซึ่งหมายความอาการทางกายทางวิจานั้นขัดแย้งกันเองในตัวของมันว่าการศึกษาการตรวจสอบดูจิตมันก็มีอาการของสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยหมายความม่าถ้าความชั่วถ้ากิเลสมีอยู่ภายในใจเราก็พยายามกลบเกลือนพยายามจะปกปิดไม่ให้คนอื่นก็รับรู้หรือไม่คนอื่นก็รู้ว่าในขณะนั้นที่จริงแล้วเราเราโกรธเราไม่พอใจ เรามึ่งมาปรารถนายอย่างใดอย่างหนึง่งดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลได้ใช้ปัญญาพินิษฐิเคราะห์ให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะถ้าไม่ยอมรับรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ยากที่จะสลัดกิเลสเหล่านั้นไปได้ใกล้ๆก็อาการบางอย่างของคนซึ่งสืบเนื่องมาจากอาการกิเลสนั่นเองเการประพฤติการกระท า, าที่ไม่เหมาะไม่ควร แม้จะมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมรับประดดเป็นคนเช่นนั้นอาการที่เขาเคยประพฤติปฏิบัติก็จะต้องประพฤติปฏิบัติกันต่อไปเพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นความผิดมันเป็นความบกพร่องซึ่งอาจจะนำตนให้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนมากยิ่งยิ่งขึ้นไปในโอกาสหน้าแลการตรวจสอบดูจิต ยามที่กิเลสข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจึงเป็นหลักการปฏิบัติที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะความเปลี่ยนสูงดังกล่าวสังโยชน์ในข้อต่อไปเป็นข้อที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ยากต่อการที่จะศึกษาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นกิเลส ท, ที่สืบเนื่องมาจากตัววิชาคือใกล้ชิดกับตัววิชา ที่เราแปล ว, ว่าความไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริงคําว่ารู้กับรู้ไม่จริงเนี่ยเราดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้และความรู้ไม่จริงเพราะมาแตกต่างกันความรู้ไม่จริงนั้นกิเลสไม่ลดลงไปแล้วมักจะมีปัญหากับสิ่งที่ตัวคิดว่ารู้ทั้งๆ ท, ที่รู้ไม่จริง ท่วใหญ่ก็จะเป็นความรู้ระดับปริยัตหรือระดับของการคิดถ้ามองแนวก็คือแนวสุตตามยจะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการสับว์ตัดฟังหรือจินตามัจะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดคือพูดได้คิดได้เข้าใจได้แต่ว่าจริงเวลาเผชิญหน้าปัญหาเหล่าทั้นปรากฏว่าตั้งหลักไม่ได้บุคคลบางคนสามารถอธิบายโทษของความโกรธได้หยุดย้อยไพเราะน่าฟัง ซึ่งก็เรียกว่าพูดกิเลสร่วงไปทีเดียวแต่ก็จริงเวลาตนกระทบกับอารมณ์ที่ก็ให้เกิดความโกรธกลับคุมจิตใจไว้ไม่ได้แล้วก็มีความโกรธค่อนข้า ง, งจะรุนแรงหรืออาจจะรุนแรงออกไปเลยอาการเหล่านี้ถ้าถามวาท่านรู้ไหมเราก็ตอบว่าท่านรู้ในเชิงของการฟังในเชิงของการคิดแต่ว่าความรู้ที่เรียกว่ารู้จริงกิเลสจะต้องลดลงไปเลย เป็นรู้โทษของความโกรธความโกรธจะต้องลดลงไปแม้อารมณ์กระตุ้นให้โกรธก็จะมีความรุนแรงน้อยลงจนถึงกับไม่โกรธถ้าหากว่าไม่แรงมากนะนี่ก็เป็นการฝึกเป็นการปฏิบัติตัวเองระดับของปุถุชนแต่จะต้องเห็นอาการของกิเลสนี้ลดน้อยถอยลงไปเพราะอะไรก็ตามถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะมองเห็นโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจ จะมองเห็นคุณประยักแจ้งแก่ใจแต่ในส่วนที่เป็นคุณเราก็จะไม่สยบติดเพราะอะไรเพราะจริงๆมันก็เป็นบันไดที่จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆทานองใล้ๆกับการเรียนการศึกษาในชั้นต่างๆที่จริงก็เป็นคุณแต่ถ้าเรียนแล้วสยบติดมันก็กลายเป็นโทษคือจะตัดรอนความก้าวหน้าของเราไม่ให้ก้าวในชั้นต่อไป เรีย น, นระดับประถม้แต่และชั้นมันก็ดีในช่วงที่เราเรียนแต่ไม่ใช่พอสอบผ่านแล้วยังพอใจติด ใ, ใจจะอยู่ในชั้นนั้นต่อไปพอถ้าเป็นเช่นนั้นความก้าวหน้ามองก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องชิง้งเพราะพลคนที่มีความรู้จริงแม้แต่ความดีงามทั้งหลายท่านก็ต้องทิ ง, งที่เราเรียกว่าละได้ทั้งบาปทั้งบุญพระอาหนต์นั้นจึงละไม่ทั้งบาปทั้งบุญ ดูแล้วว่าบุญไม่น่าจะละแต่ทําไมต้องละเพราะบุญนั้นเป็นเหตุให้เกิดในสังสารวัตรศาสตใดที่ยังเป็นบุญศาสตร์นั้นจะต้องมีการบุนบนอยู่ในสังสารวัตรแน่นอนเป็นมนุษย์ที่พิเศษเป็นเทพเป็นพรหมแต่ก็คือสังสารวัตรในความเป็นสังสารวัตรนั้นมีภัยที่แน่นอนอยู่สามภัยอย่างน้อยคือชาติภัยปยาธิภัยแล้วก็มรณะภัย ภัยที่เกิดภัยจากความเกิดภัยจากความแก่แล้วก็ภัยจากความตายนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนความสศกความรำไรราพันธุ์อาจจะยิ่งอาจจะหย่อนอยู่บ้างหรือบางทีอาจจะไม่มีเป็นปีๆแต่แกจ่จะตายนั้นต้องมีแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแก่เพราะเราไปหยุดตัวแก่ไม่ได้เจ็บอาจจะลดลงไปได้บ้างอาจจะป้องกันได้บ้างแต่ว่าแก่ก็คือต้องแก่ มันเมื่อแก่มันก็เป็นสังสารวัตุกที่จะกให้เกิดการหมุนวนการใรนวัดเพื่อผลสูงสุดจึงต้องชิ้งแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นบุตรดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากิเลสบางอย่างนั้นมันมีความสืบเนื่องมาจากความรู้ไม่จริงอาการของกิเลสเหล่านั้นจึงไม่ลดลงไป บางทีก็เกิดความรู้เห็นาำความเป็นจริงก็ลดลงไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งไปเจออารมณ์กระแทกแรงๆก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนั้นในแนวการปฏิบัติจึงทรงสอนให้ค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าทำลายอสวะกิเลทให้หมดไปจากใจตัวนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ในที่นี้เพ่นสังเกต พวกกิเลสประเภทที่ทรงใช้คำวามานะมานะเป็นอาการกิเลสที่ละเอียดท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามันเป็นอาการทั้งของโลภะทั้งของโทสะและทั้งของโมฆะแต่ที่เชื่อมแน่นอนก็คือเชื่อมอยู่กับโมขะเหตุที่เกิดมานะนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากความรู้สึกว่าเป็นตนหรือเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าจากใดเรายังรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตน หรือเป็นเราเป็นเขาจู่มานะก็จะเกิดขึ้นมานะจึงแปลว่าคมถือตัว <S <S <S ถือว่าอย่างไงถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นคนอื่นไม่เป็นอย่างที่เราเป็นหรือเป็นต่ากว่าเราเราเก็รู้สึกดูหมินรู้สึกไม่ยอมรับนะถือคนที่เรารู้สึกว่าเป็นต่มกว่าเราคนที่เป็นสูงกว่าเรา เราจะรู้สึกริษยารู้สึกแข่งดีรู้สึกต้องการจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นเพราะนั้นจึงมีการยื้อแย่งความเป็นจะมีการต่อสู้กันทางการเมืองเป็นต้นนั้นเราค่อนข้างจะเห็นได้ชัดก็คือแย่งความเป็นกันและที่จริงแล้วถ้าเรามองดีในกระบวนการเหล่านั้นมันเริ่มต้นจากการที่ท่านไม่ได้เป็นแต่ท่านก็อยากจะเป็นในฐานะที่เป็นมันก็เป็นอยู่ตำแหน่งเดียว จะตำแหน่งประธานาธิบดีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศเดิ ม, มก็มีตำแหน่งเดียวมันก็ต้องอยื้อยังความเป็นบางทีจะต้องมีการเข่งฆ่าการต่อสู้ทาลายล้างกัดแล้วจบลงยังไงคือจบลงเหมือนเดิมคือจบลงที่ไม่ได้เป็นมาความแม้จะเริ่มต้นเราได้เป็นแต่จบลงที่ไม่ได้เป็นเพราะจริงๆเราไม่ได้เป็น มันมีนิทานโบราณเรื่องหนึ่งที่มีการเล่าขานกันมาที่กล่าวถึงอะไรเรื่องสุนัขต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ้นก็เป็นเรือยเปลี่ยนไปตามคำพรของเทวดาไปตามตานไปทํามาก็กลับเป็นสุนัขเหมือนเดิมเป็นกันตั้งหลายขั้นหลายตอนนั้นแสดงเห็นว่าโดยสภาพที่แท้จริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงๆไม่มี ความเป็นมีระดับสมมุติระดับบัญญัติกันในแต่ละขณะเท่านั้นความเป็นจึงเริ่มจากไม่เป็นพอได้เป็นไปแล้วจะไหลก็สู่ความเปลี่ยนแปลงเพื่อคือนกลับไปสู่ความไม่เป็นเหมือนเมือกคนเราที่เกิดมามั น, ม น, ม น, ม น, มนเริ่มจากการไม่เกิดคือไม่เป็นอะไรแต่เหตุปัจจัยผ่ายรูปผ่ายนามก็เกาะกลุมกันขึ้น มีผ่านการกระบวนการธรรมชาติต่างๆจะถึงคลอดออกมาจากคันมันดาเราก็เป็นก็ไม่ได้เปลีป่ยนสถานะที่เราเป็นด้วยและในขณะที่เรารู้สึกว่าเป็นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้แในขณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่นั้นเองความไม่เป็นจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ก็คือตายความตายจึงไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายเมื่อไหร่จะไม่เป็นนั่นก็คือตาย เงการชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ในปัจจุบันมีคำจะเป็นความคิดของใครไม่ทราบปรากฏในศาลาสวดศพในที่ต่างๆอยู่ที่พัดก็เป็นความคิดที่ขบท่านบอกว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นเป็นพัดสีพัดสมรับพระโสดาบิธรรมเป็นการแสดงถึงสภาพชีวิตที่จริงก็ไม่ใช่จริงร้อยเ ไปไม่กลับก็หมายเพียงว่ากลับมาในรูปแบบเดิมแต่จริงในแง่ของสังสารวัฏแล้วคนเราอย่างหมุนวนคืออาจจะกลับมาเป็นมนุษย์แต่รูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนเดิมคือไม่เป็นคนเดิมไปหลับไม่ตื่นเนี่ยก็ฟังได้แต่ฟื้นไม่มีบางทีก็ฟื้นเหมือนกันถ้าตาจริงก็ไม่ฟืน้นหนีไม่พ้นนั่นเป็นสัจธรรมเพราะสัจธรรมจริงๆที่ไม่มีความเป็นอย่างอื่นก็คือเรื่องของหนีไม่พ้น แความทุกชีวิตเป็นอย่างนี้แต่เพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนมาก่อนพิเรียวเป็นทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแมายความว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นตัวเป็นตนพอจากการเป็นตัวเป็นตนก็มีการสมมติแก่เราถูกสมมติมาตั้งแต่ต้นสมมติมาตั้งแต่เป็นลูก เป็นหลานเป็นน้องเป็นอะไรก็ว่ากันเป็นได้ตั้งแต่เกิดแววมาถึงมันก็เป็นอะไรเยอะจะเพื่อนสมมติให้ตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเท่าไรแต่เราก็ผ่านกระบวนการสมมติมาได้เลยถ้าเราลองดูสังเกตได้ดูว่าการเป็นก็เราที่จริงมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะบางทีก็เป็นในนิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนละอย่างเราเดินข้ามถนนเราก็เป็นคนข้ามถนนก็ข้ามแค่นาทีสองนาทีเราก็เปลี่ยนละ กลายเป็นคนขับรถกลายเป็นคนทํางานกลายเป็นอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแสดงว่าในแต่ละวันนั้นเราถูกสมมติให้เป็นมากมายกาย ก, กองได้เลยในแนวการปฏิบัติเหนึ่งสอนในรูปสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นเรื่องสมมติสัจจะเป็นกติกาที่ยอมรับ น, นตบถือการภายในสังคมผล ใ, ใครถูกสมมติแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ตาม ท่านจำแนกว่าที่หน้าที่คือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในขณะที่เราเป็นจะเป็นว่าเป็นน้อยไม่สาคัญแต่ว่าในช่วงนั้นจะต้องทําหน้าที่ของตนให้ดีเพราะในแง่ของปรมตทสัพธรรมคือแง่ของความจริงใจจริงแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่ในที่จริงมันก็สมมดเราพอตายแล้วเราก็หมดจากความเป็นพ่อเป็นแม่กันต่างคนต่างหมุนวนไปในสังสารวัฏคนที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะต้องกลับมาเป็นลูกก็ได้ ก้อนี้เพิ่งดูตัวอย่างจาคุณเทพสิทธาจารย์เจ้าวัดวชิราลงกรซึ่งก็เคยอยู่ที่วัดประวัติเมือนกันสรุปนี้ระลึกชาติได้ปรากฏว่าท่านตายไปเกิดในครันของน้องสาวท่านแล้วก็ท่านระลึกชาติได้ไม่ชอบที่จะเรียกน้องว่าแม่แต่ชอบเรียกไม่ใช่ไม่ชอบที่จะเรียกแม่ว่าน้อง ว่แม่แต่ชอบเรียกกว่าน้องนั่นก็แสดงเห็นว่าในแง่ของความจริงแล้วมันก็หมุนวนกันไปเพียงแต่ว่าในช่วงใดใครเป็นอะไรก็ทาหน้าที่ดีก็แล้วกันแต่ในขณะเดียวกันก็สงสอนไม้ยึดมั่นหรือมั่นในความเป็นเพราะอะไรเพราะในความเป็นนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนต้องแปรผันไปเรื่อยๆมีลักษณะอาการขึ้นๆลงๆในความเป็น แต่บางทีก็จะอาจจะเป็นสูงขึ้นบางทีอาจจะเป็นลดลงแล้วก็จบหลงธีการไม่ได้เป็นทั้งหมดคือจะขึ้นหรือจะลงก็ตามจบหลงที่ไม่ได้เป็นนั่นก็คือตายยางมากเราก็เป็นได้แค่ตายพอตายมันก็จบกันอีกชาติหนึง่งมันก็นับกันใหม่คือไปหมุนบนกันในสังสารวัตรใหม่ลักษณะเหล่านี้ตราบใดที่เรายังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อเวลาถูกสมมติบัญญัติขึ้นก็จะยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเหล่านั้นแล้วจะเกิดสิ่งที่บางทีทรงช่คําเป็นสองคำอหางการคือเราเป็นหรือเป็นเราหรือเราเป็นหรือเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วต่อไปก็จะเกิดมังการคือคอยคว้าปรารถนาเพื่อตอบสนองความเป็นของเราเพราะจะจุดความเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของความเป็น จะเป็นนักเรียนก็ต้องมีเครื่องประกอบของความเป็นนักเรียนเป็นสามีปัญญาการก็ต้องมีเครื่องประกอบมีบ้านมีเรือนมียานภานะมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนั่นคือประกอบของความเป็นก็สิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าของเราของเรานั้นเกิดขึ้นจากใจที่ขวอยคว้าปรารถนาเป็นกระแสะไหลของตัณหาเวลาพูดถึงความรู้ระดับวิปัสสนา หมายความความรู้เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงท่านจะให้มองสังขารธรรมทั้งหลายที่เรายึดถือว่าเป็นของเราหรือว่าเราเป็นหรือเป็นเราหรือเป็นตัวคนตน ข, ของเราก็ตามก็คือสังขารลักษณะของสังขารนั้นที่จริงเขาไหลก็เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปเดี๋ยวเริ่มเกิดแก่ตาย ในขณะที่เกิดขึ้นก็มีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆประกอบเป็นอันมากพอตั้งอยู่มันก็ไหลก็สู่ความเปลี่ยนแปลงคือไม่มีการตั้งอยู่จริงได้จริงมันมันเปลี่ยนแปลงพอถึงจุดหนึ่งก็ดับใครจะต้องการอะไรให้เป็นอย่างไรตั้งความปรารถนาอ้ อ, อนวอนบงสวงขอร้องพิติกรรมต่างๆมากมายในโลก เพรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่เอาก็จริงมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือแม้แต่ขอให้เทวดาดลบรรดาให้เทวดาเอาก็จริงท่านก็ทําอะไรไม่ได้เพราะท่านเองก็เป็นสังขารบ้างกันท่านก็เป็นอย่างที่ท่านต้องเป็นนการศึกษาในแนวนี้ก็เพื่อลดความรู้สึกดังกล่าวนั่นเองแต่เป็นการตัดในตัวรากเงาวนั่นก็คือความรู้สึกว่าของเรารู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา สำรวจบาลีจะเรียกว่าตัณหามาณทิฏฐิความรู aken, ้สึกว really ่าของเราของเรานั้นเป็นอาการของตัณหาความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นนั้นเป็นอาการของมาณะความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนเป็นอาการของทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดเพราะจริงๆมันไม่มีอะไรคล้ๆกับบ้านใกล้ๆกับเรือนใล้ๆกับรถจริงๆมันไม่มีทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งรถ บ้านเรือนรถเหล่านั้นที่จริงมันก็เริ่มจากความไม่มีอะไรเลยมันเป็นความคิดเกิดขึ้นภายในจิตคนก่อนแล้วก็ออกแบบขีดเขียนสร้างขึ้นมาผ่านกระบวนการต่างๆรวบรว ม, ร ว, มวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆมาประกอบกันข้าเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถแล้วก็บ้านเรือนรถเหล่านั้นมันก็ไหลก็สู่ความเปลี่ยนแปลงจบลงที่หมดสภาพความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเพราะอย่างที่พระเจ้าทรงสะท้อนภาพ รวมๆเพาเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุราชรัสที่พวกคนเขาร้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ค้องอยู่หมายความว่าโลกใบเดียวกันนี่เองมันสวยงามตระการดุราชรัสแต่เรามองไว้ที่ราชรศปรากฏว่าราชรศเองเมื่อก่อนไม่มีราชรศแล้วก็ไม่เป็นราชรศมาเกิดขึ้นมาจากความคิดอยากให้มีราชรศ แล้วก็หาคณะบุคคลต่างๆขึ้นมาทำก็ปรุงแต่งกันขึ้นในสุดก็เป็นราชรถราชรถวิจิตรพิสดารจบลงที่ความคร่ำคร่าความแก่เผยหน้าผู้ฟังไปตามการธนุบารุงปฏิถังข อ, งอนซ้ำแซมกันไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งหมดสภาพความเป็นราชรถถ้าต้องการห้มีก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็คือชีวิตคือสังขารทั้งหลายคือสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกมันอยู่ในกระบวนการต่านี้ ันการรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งจึงซ้ายคำว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อบน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจดหมดจดจากอะไรหมดจดจากความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเราเป็นหรือเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นความรู้เห็นระดับวิปัสสนาซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็จะทาหน้าที่กระจัด สิ่งที่เราเรียกว่าอาวิชชาคือความรู้ความไม่รู้หรือความรู้ที่ไม่จริงวิจัยจะไม่เกาะเกี่ยวจะไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแม้จะอยู่ท่ามกลางสังขารธรรมทางหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยแต่วิจัยจะไม่ฟูกขึ้นไม่พูกปรุงทำความเปลี่ยนแปลงตังสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ค oh ือ oh ส <um ิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่ใจจะไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่ทุกข์ในท่ามกลางคนทุกข์จะไม่โสกในท่ามกลางคนโศกจะไม่เศร้าในท่ามกลางคนเศร้าจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียในท่ามกลางคนที่รู้สึกว่าสูญเสียเพราะอะไรเพราะใจของท่านไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะสูญเสียเพราะการสูญเสียมันจะต้องคาว่ามีสิ่งให้สูญเสียแต่ใจของท่านไม่มีสิ่งจะต้องสูญเสีย ความโศกก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะท่านไม่มีสิ่งเดียวนั้นคือลัตษณะเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของจิตที่ไปยึดกรรมอย่งเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเครื่องบินญี่ปุ่นตกคนตายสองร้อกว่าคนใจเราไม่รู้สึกว่ามีญาติเราในที่นั้นเราไม่โศกเราไม่เสียใจจะสลดใจในการที่เพื่อนมนุษย์ประสบชตากรรมดังนั้น แต่เราก็ไม่โศกไม่เสียใจแต่ในที่สุดในขณะเดียวกันเราก็ไม่ดีใจเพราะไม่มีใครที่เราต้องการให้ตายในที่นั้นนั้นแสดงเห็นว่าความรู้สึกว่าเป็นของเราไม่มีอยู่ในที่ใดเมื่อสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามจะไม่กระทบถึงใจเราพวามลักษณะจิตที่เป็นเช่นนี้ที่จริงแล้วเราก็มีเชื้ออยู่ เราเคยมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เป็นจำบดมากเพียงแต่ว่าไอ้ใจที่คอยคว้าใจที่ยึดมั่นถือมั่นยังมีอยู่เป็นอั่นแหลความโศกความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายจึงคงมีอยู่ภายใน ใ, นใจการศึกษาการปิบัติก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดรู้เห็นาำความเป็นจริงเพื่อบุคคลจะสามารถลดละความยึดมั่นถือมั่นใน ตัวตนลงไปในความเป็นที่ถูกสมมุติของตนลงไปและแม้ในของที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราลงไปด้วยใจจะได้สัมผัสความสุขความสงบอันสืบเนื่องมาจากความรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่สามารถอยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันต่อสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งใดก็ตามที่ใจเข้าไปยึดพันถึงมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษไม่มีเลย ตอนนี้ปายก็ขอให้ตั้งใจัำความสงบสุขต่อไป